สังสารวัฏหรือวัตะสงสารคืออะไรสังสารวัฏหรือวัตะสงสารก็คือที่อยู่ของดวงวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหมดที่ยังถูกกำนาจของโมหะอาวิชชากิเลสตันหา ครอบงำอยู่ถ้ายังมีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงมีตัณหาความอยากเศกความความอยากเสพ ค, ความสุขชนิดต่างๆก็จะเกิดในสังสารวัฏ จะติดอยู่ในสังสารวัตรสังสารวัตนี้เปรียบเหมือนคุกตารางของผู้ที่ยังมีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงมีตัณหาความอยากความอยากในกามความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือ ที่อยู่ของสัตว์โลกดวงวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหมดยกเว้นดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ที่ไม่ติดอยู่ในสังสารวัรได้ได้หลุดออกจากสังสารวัตเหมือนกับคนที่อยู่นอกคุกคนที่อยู่ในคุกนี่ เป็นคนที่ต้องอยู่ในคุกไปข้างนอกไม่ได้แต่คนที่พ้นโทษเขาก็จะปล่อยให้ออกไปอยู่นอกคุกพราะพุทธเจ้าพระอันนี้เป็นเหมือนคนพ้นโทษได้ออกไปอยู่นอกคุกนอกคุกนี้เขาก็เรียกว่านิพพานนอกวัตฏะสงสาร นอกสังสารวัฏก็จะเป็นนิพพานผู้ที่จะพ้นโทษพ้นพ้นจากการติดอยู่ในสังสารวัฏก็ต้องชำระกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่มีอยู่ในจิตในใจอยู่ในดวงวิญญาณให้หายไป เหมืกับการซักเสื้อผ้าที่มีคราบสกรปรกถ้าเสื้อผ้าไม่ได้รับได้ไม่ได้รับการซักล้างเสื้อผ้าก็จะซักสกรปรกอยู่อย่างนั้นถ้าต้องการให้เสื้อผ้าสะอาดก็ต้องชําระเอาไปล้างเอาไปซักล้างพอซักล้างแล้วคราบสกรปรกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้า ก็จะหลุดออกจากเสื้อผ้าไปเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดน่าสวมใส่ดวงวิญญาณหรือจิตใจของสัตว์โลกก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกติดอยู่คือคราบสกปรกของจิตใจหรือของดวงวิญญาณก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชานี้เองที่ ถ้าได้รับการชำระด้การรับการซักฟอกกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาก็จะหลุดออกจากดวงวิญญาณหลุดออกจา ก, กจิตใจของสัตว์โลกได้ถ้าชำระได้สะอาดบริสุทธิ์ดวงวิญญาณนั้นก็จะไม่ติดอยู่ในสังสารวัตรไม่ติดอยู่ในวัฏสงสาร ก็จะหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารผู้ที่หลุดพ้นก็จะไปอยู่ที่นิพพานอยู่ข้างนอกวัฏฏะสงสารเหมือนกับผู้ที่พ้นโทษจากการติดคุกติดตารางก็จะอยู่นอกคุกนอกตารางการอยู่ในคุกกับการอยู่นอกคุกนี้ความสุขความทุกข์มันต่างกัน ผู้ที่อยู่ในคุกตารางนี้จะมีความทุกข์แต่ผู้ที่ออกจากคุกตารางนี้จะพ้นทุกข์จะมีแต่ความสุขดวงวิญญาณที่ยังติดอยู่ในวะัฏะสงสารในสังสารวัฏก็เป็นเหมือนกับดวงวิญญาณที่ติดคุกคุกที่มีมีแต่ความทุกข์นะ แต่ถ้าได้หลุดพ้นจากคุกตารางของสังสารวัฏได้ก็จะไปอยู่ที่นิพพานอยู่ที่นอกคุกตรางอยู่นอกวัฏสงสารก็จะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์อันนี้คือเรื่องของวัฏสงสารเรื่องของดวงวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง ที่ติดอยู่และที่ไม่ได้ติดอยู่ในสังสารวัตรดวงวิญญาณที่ติดอยู่ในสังสารวัตนี้ก็มีหลายหลายระดับด้วยกันหลายชนิดหลายประเภทแต่ดวงวิญญาณที่ไม่ติดอยู่ในสังสารวัต tn ีมีอยู่ประเภทเดียวคือพระอารหาันต์ จะเป็นพระอาหารหันตสมมาสมพุทธเจ้าออหรือพระอาหารหันตสาวกก็เป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันต่างกันตรงที่พระอาหารหันตสมมาสมพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบวิธีชำระจิตใจด้วยตนเองส่วนพระอาหารหันตสาวกนี้เป็นผู้ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่ง เรียนรู้แล้วก็เอาไปชำระซักฟ อ, อกจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์พอจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ก็ออกจากคุกตารางของวัตตะสงสารออกจากสังสารวัฏออกพอออกจากสังสารวัฏได้ก็จะเข้าสู่ น, นิพพานก็จะอยู่ในนิพพานนี่คือ เรื่องของดวงวิญญาณของสัตว์โลกต่างๆอย่างพวกเรานี้ก็เป็นดวงวิญญาณที่ตอนนี้ติดอยู่ในระดับของมนุษย์มนุษย์นี้ก็เป็นดวงวิญญาณชนิดหนึ่งที่ติดอยู่ในสังสารวัตรในสังสารวัตนี้ก็จะแบ่งโซนที่อยู่เป็นสามโซนด้วยกัน เรียกว่าไตภพไตภูมิสามโซนภพสามภพหรือสามภูมิแต่ละภพนี้ก็จะมีคุณสมบัติที่จะทำให้ผู้ที่มีคุณสคุณสมบัตินั้นอยู่ในภพนั้นภูมินั้นภพแรกที่เราพูดถึงนี้ก็คือกามภพนะภพของผู้ที่เสพกาม อบของดวงวิญญาณที่ยังมีความอยากเสพกามกามคืออะไรคือกามมคุณหา้าได้แก่รูปเสียงเป็นรสโหตพะที่เสพได้ด้วยการมีตาหูจมูกลิ้นกายหรือเสพได้ด้วยดวงวิญญาณที่ไม่ต้องมีร่างกาย คือเสพด้วยรูปที่ละเอียดรูปเสียงกลิ่นรสปดพทพัที่ละเอียดกว่ารูปเสียงกลิ่นรสปดพทพัที่เสพด้วยร่างกายนั้นจะแบ่งว่ารูปเสียงกลิ่นรสปดพทพันี่มีสองสองชนิดกด็ได้รูปเสียงกลิ่นรสปดพทพทัชนิดหยาบก็ต้องเสพด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย ของมนุษย์หรือของสัตว์เดรัจฉานส่วนพวกที่ไม่มีร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์แบบละเอียดที่เราเรียกว่ารูปทิฟเสียงทิฟกลิ่นทิฟเป็นต้นพวกนี้ก็จะเป็นพวกดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายดวงวิญญาณที่ไม่มี ร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้าพะชนิดที่ละเอียดเรียกว่าชนิดที่เป็นรสเสียงทิปรูปทิปกลิ่นทิปหนาเหตุการณ์มาพบนี้จะมีแบ่งที่อยู่ของพวกเสบกามไว้สองซีกซีกหนึ่งเรียกว่าสุคติ อีกสี่หนึ่งเรียกว่าทุกขติทาไมจึงมีสองสีกก็เพราะว่าผู้ที่เสพกามนี้มีวิธีเสพที่ไม่เหมือนกันผู้ที่เสพกามด้วยการกระทาบาปเช่นประพฤติผิดประเวณีหรือผู้ที่เสพกามด้วยการลักทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อที่จะได้ไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสมาเสพ พวกนี้เรียกว่าเสพการด้วยการกระทาบาปพวกที่เสพการด้วยการกระทําบาปนี้จะอยู่ในิกทุกขติเพราะว่าการเสพการด้วยการทําบาปจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาในดวงวิญญาณในทุกขตินี้ก็มีแบ่งไว้สี่สี่ที่ด้วยกัน มีเดลชาญเปรตอสูรกายและนรกเป็นที่ของวินดวงวิญญาณที่เสพกามด้วยการทำบาปจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขจะมีแต่ความทุกข์ก็ได้ความสุขนั้นมีแต่น้อยส่วนใหญ่จะมีแต่ความทุกข์เรียกว่าทุกขติหรืออบาย ผู้ที่เสพกามด้วยการทําบาปไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเป็นการลักทรัพย์เป็นการประพฤติผิดประเวณีหรือการพูดปดโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้ไปเสพกามจากการกระทําบาปเช่นคนอยากจะเที่ยวไม่หาเงินทํางานนล้วเงินไม่พอเที่ยวก็ไป ขโมยเงินของคนอื่นจะได้ไปเที่ยวอย่างนี้ก็เป็นการทำบาปหรือผู้ที่ไม่มีสามีภรรยาของตนเองก็ชอบไปหาสามีภรรยาของคนอื่นอันนี้ก็เป็นการทำบาปถ้าเสพการแบบนี้ดวงวิญญาณก็จะทุกร้อนขึ้นมาเป็นดวงวิญญาณ ที่เรียกว่าอบายนี่มีอยู่สี่สีท่ที่ทำไมถึงแบ่งเป็นสีท่ที่เพราะทำบาปด้วยเหตุที่ไม่เหมือนกันทำบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าทำแล้วจะต้องเจอกับความทุกข์ก็คือพวกเดรัจฉานทาบาปด้วยความโลภความอยากได้มากๆอยากเสพกามมากๆ ก็จะเป็นเปรตการเสพกามด้วยความกลัวการท ำ, ทำบาปด้วยความกลัวกลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้จะมาทำร้ายทำลายความสุขของตนจากการได้เสพกามก็จะเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าอาสุรกายแล้วทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทด้วยความโกรธ ก็จะเป็นนรกเนะี่ยอันนี้คือการมาพบที่อยู่ในซีกของอบายถือว่าเป็นเป็นพบที่ต่ำที่สุดในสังสารวัฏในไต้ภพเป็นพบที่มีความทุกข์มากกว่ามีความสุขเนะี่ยหรือมีแต่ความทุกข์ล้วนๆถ้าตกไปอยู่ในพบที่ต่ำที่สุดคือนรกเนะี่ย แต่ภพของสัตว์เดรัจฉานนี้ยังมีความสุขบ้างเพราะว่ายังมีโอกาสได้เสพกามเวลาได้เสพกามมันก็ยังมีความสุขอยู่แต่ภพของนรกนี้ไม่มีโอกาสได้เสพกามเพราะจะถูกความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธอาฆาตพยาบาทนี้เผาผลาญอยู่ตลอดเวลา ภพของอสูรกายก็ไม่มีความสุขเขาจะถูกความกลัวคอยอคอยสุมเผาจิตใจด้วยความกลัวด้วยเผาดวงวิญญาณด้วยความกลัวเปรตก็ถูกความหิวโหวยความโลภเผาผ่านมีของเดรัจฉานนี่ยังมีโอกาสที่ได้มีความสุขบ้าง สัตว์เนราชาเวลามันได้กินมันก็มีความสุขเวลามันเวลามันได้เสพการมันก็มีความสุขแต่มันก็อยู่ด้วยความทุกข์เพราะมีภัยรอบตัวมันมันจะถูกสัตว์ตัวอื่นฆ่าตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีวันไม่ก็จะไม่ไม่มีวันรู้นี่คือ พบของผู้ที่เสพการด้วยการทำบาปแล้วก็มีพบที่อยู่กงกลาง ร, ระหว่างสุคติกับทุคติก็คือพบของมนุษย์เนี่ยจะเอว่าอยู่ในซี่ของสุคติก็ได้หรือจะอยู่กลาง ร, ระหว่างทุกคติกับสุคติก็ได้เฮ้ถ้าเป็นมนุษย์ที่ เสกกรรมด้วยการไม่ทําบาปก็จะไม่ไม่ได้อยู่ในทุกขติตถ้าไม่ได้ทําบุญก็ยังไม่ได้อยู่ในสุ ข, ขติการที่จะอยู่ในภกของสุ ข, ขติคือภพของเทวดานอกจากการไม่ทําบาปแล้วต้องทําบุญด้วยถึงจะได้ไปเป็นดวงวิญญาณ ที่มีแต่ความสุขถ้าเป็นดวงวิญญาณของมนุษย์นี้ก็เป็นแบบกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์เพราะบาปก็ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้ทำก็จะเป็นดวงวิญญาณของมนุษย์เวลาเกิดก็จะได้ร่างกายของมนุษย์ถ้าเป็นดวงวิญญาณที่ไม่ได้ทำบาป แล้วได้ทำบุญด้วยได้ทำความดีต่างๆได้ทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่น mm. ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญดวงวิญญาณที่ไม่ทำบาปแล้วก็ทำบุญก็จะเป็นดวงวิญญาณของพวกเทวดาะ ที่มีอยู่หกระดับด้วยกันภพของเทวดานี้มีหกระดับมีตั้งแต่จาตุมมียามะมีดุสิตมีดาวดึงมีนิมานมีปารณิมชื่อต่างๆของสวรรค์หกชั้นด้วยกันนี่คือ สิของสุขคติของผู้ที่เสพกามนะคือถ้าใครเสพกามก็ต้องมาเกิดในกามะพบถ้าเสพกามแต่ไม่ทําบาปทำทำแต่บุญก็จะไปเป็นเทวดาเวลาที่ร่างกายตายไปถ้าเสพกามด้วยการทําบาปเวลาร่างกายตายไป ดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ในซีของทุ ก, กติอันนี้คือพบที่หนึ่งในใจพบมีอยู่สามพบด้วยกันนี่คือพบของผู้ที่เสพกามพบที่สองและที่สามนี้เป็นพบของผู้ที่ไม่เสพกามไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสคือพบของพวกถือศีลรแปดขึ่งไป พของพวกนักบวชถ้าถือศี้นแปดไม่เสพกามไม่เสพรูปเสียงกลิก่นรสแต่มาเสพความสุขที่ได้จากการเข้าฌานขั้นต่างๆถ้าเข้าฌานขั้นรูปฌานได้ก็จะไปอยู่รูปภพถ้าเข้าฌานระดับที่สูงกว่าได้คืออรูปฌานก็จะไปอยู่ในอรูปภพ ภพที่สูงกว่าภพที่มีความสุขที่มากที่สุดคือภพของอรูปของรูปอรูปภพเนี่ยนี่คือความสุขระดับต่างๆที่มนุษย์หรือดวงวิญญาณจะสรรหาได้ต้องเป็นมาเป็นมนุษย์ถึงจะมาสรรหาภพเหล่านี้ได้ภพของมนุษย์นี้เป็นที่สร้างภพต่างๆส่วนภพอื่นๆนี้เป็นที่ไปรับ ผลจากการสร้างพบของในขณะที่อยู่เป็นมนุษย์เนี่ยตอนนี้พวกเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเลือกสร้างภพได้ถ้าเปรียบเทียบพบเหมือนบ้านเนเราจะสร้างชั้นบ้านชั้นเดียวก็ได้สร้างทถวเฮ้าส์ก็ได้สร้างบ้านเดียวก็ได้สร้างคอนโดก็ได้สร้างปราสาทราชวังก็ได้อยู่ที่ความปรารถนาความต้องการของเรา อันนี้ก็เหมือนกันตอนที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่เรากำลังมาสร้างบ้านใหม่ของเราหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วเราก็จะมีบ้านใหม่รอรับเราอยู่ถ้าเราทำบาปเราก็จะได้บ้านเราก็จะได้ไปอยู่ในอบายกันทำบาปด้วยความหนงก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ได้ดวงวิญญาณของเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็ได้ดวงวิญญาณของอสุรกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะได้ดวงวิญญาณของนรกเนี่ยพวกเรากําลังสร้างบ้านกันจะรู้หรือไม่ก็ตามถ้าไม่มาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จาไม่มีวันรู้เลยว่าในชีวิตของเราแต่ละวันนี้เรากําลังมาสร้างภพสร้างชาติกันถ้าเราอยากเสพกามเราก็จะมาสร้างบ้านในกามมาพบถ้าเราเสพกามด้วยการทําบาปเราก็จะไปอยู่ในซี่ของอบายของทุกขติถ้าเร า, เาถ้าเราเสพกามด้วยการไม่ทําบาป แล้วมีการทำบุญเราก็จะไปสร้างบ้านในสวรรค์ชั้นต่างๆในสี่ของสุคติถ้าเราไม่ชอบเสพกามเราชอบไปบวชชอบไปรักษาศีลแปดชอบไปฝึกสมาธิเราก็ไปสร้างรูปภพกับอรูปภพกันรูปภพก็คือถ้าเราได้รูปประชานความสงบขั้นต่ำนี่เรียกว่ารูปประชาน ความสงบขั้นสูงเรียกว่าอารูปประชานก่อนจะไปอรูปประชานได้ต้องผ่านรูปปัจจานก่อนต้องผ่านรูปปัจานสี่ขั้นด้วยกันรูปปานหนึ่งสองสามสี่พอได้รูปปัจจานสี่แล้วถ้าอยากจะไปต่อก็เข้าสู่อรูปปัจานหนึ่งสองสามสี่กทีหนึง่ง ก็จะเป็นการสร้างบ้านในรูปภพกับอารูปภพแต่ไม่ว่าจะไปสร้างบ้านที่พสร้างสร้างบ้านแล้วไปอยู่ที่พบไหนก็ตามบ้านที่สร้างไว้ก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปสร้างบ้านอยู่ในอรูปภพเดี๋ยวมันก็จะเสื่อมแล้วมันก็จะเลื่อนลงมาสู่รูปภพจากรูปภพก็จะลงมาสู่สุคติ จากสุคติจากเทวดาก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นะในทางตรงกันข้ามถ้าไปสร้างบ้านอยู่ในอบายก็เหมือนกันพอบาปที่ทำไว้มันหมดก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาเสพกามหรือเสพสุคติเสพรูปประชานรูอารู ป, ประชานใหม่มาสร้างบ้านกันใหม่ มาทำบุญหรือทำบาปกันใหม่มาฝึกสมาธิมาเข้าฌานกันใหม่ เ, ยเคยดวงวิ ญ, ญญาณที่เคยทำอะไรมักก็จะกลับมาเกิดทำอย่างนั้นใหม่ดวงวิ ญ, ญญาณที่เสพการด้วยทำบาปพอพ้นจากกบายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทำแบบเดิมเคยเสพการด้วยการทำบาปก็จะทำบาปต่อไป ดวงวิญญาณที่เคยเสพกามด้วยการไม่ทําบาปเวลากลับมาเกิดเป็นมนรรุษย์ก็จะมาเสพกามด้วยการไม่ทําบาปถ้าเคยทําบุญก็จะกลับมาทําบุญถ้าเคยฝึกสมาธิเคยนั่งสมาธิเคยเข้าฌานได้เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไปฝึกสมาธิไปเข้าฌานใหม่จะไม่ชอบเสพกามเพราะ รูว่าความสุขของสมาธินี้มันเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพกามพวกที่ได้อารูปปัจจานก็จะไปก็จะกลับมาสร้างรูปอรูปประชานกันใหม่มาปฏิบันั่งสมาธิให้เข้าในอรูปประชานกันใหม่เนี่ยทำไมมนุษย์เราจึงมีคนที่หาความสุขแตกต่างกันไปนะคนบางคนหาความสุขจากการ ทำบาปบางคนหาความสุขโดยการไม่ทำบาปบางคนหาความสุขด้วยการทำบุญบางคนหาความสุขด้วยการนั่งสมาธิอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามันติดเป็นนิสัยมาดวงวิญญาณเคยทำอะไรเคยชอบอะไรเคยเกลียดอะไรมันก็จะฝังอยู่ในใจความรักความชอบความเกลียด ที่มีอยู่ในใจมันมันก็จะมาพาให้เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ให้มาทำในสิ่งที่ชอบไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบนะพวกที่ชอบทำบาปไม่ชอบทำบุญก็จะไม่ทำบุญจะทำแต่บาปนะพวกที่ชอบทำบุญไม่ชอบทำบาปก็จะไม่ทำบาปจะทำแต่บุญนะพวกที่ชอบนั่งสมาธิก็จะไปบวช ไปนั่งสมาธิอั น, นี่คือวัฏฏะสงสารได้เหตุของของของผู้ที่ไปอยู่ในวัตฏะสงสารไปอยู่ในวัฏตะสงสารได้อย่างไรไปติดอยู่ในสังสารวัฏได้อย่างไรติดเพราะว่ามีกามตัณหามีภวะตัณห า, ม, หามีวิภาวะตัณหานี่เอง กามตันหาก็คือความอยากเสพกามก็เลยต้องไปเกิดในกามมาพบพบของมนุษย์ของเทวดาหรือของเปรตของเดรัจฉานของอสุรกายของสัตว์นรกเนี่ยถ้าเสพกามนี่คือที่ไปแล้วแต่ว่าเสพกามด้วยการทําบาปหรือไม่ทําบาปทําบุญหรือไม่ทําบุญนะก็จะเป็นที่ ของผู้ที่มีกามตัณหาส่วนผู้ที่มีภาวะตัณหาก็คือพวกที่ต้องการเสพความสุขจากภาวะของลูก ป, ประชานีเ้เรียกว่าภาวะตัณหาก็จะไปเกิดในรูปประพบผู้ที่ต้องการเสพความสุขของวิภาวะตัณหาก็คือของรูก ป, ประชานก็จะไปเกิดเนี่ย ในรูปปภพอารูปปภพเนี่ยเนี่ยมีสามเหตุด้วยกันจึงมีสามภพกามาตันหาส่งให้ดวงวิญญาณไปติดอยู่ในกามภพภาวะตันหาส่งให้ดวงวิญญาณไปติดในรูปปภพวิภาวะตันหาส่งให้ดวงวิญญาณไปติดอยู่ที่อรูปปภพแล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดขึ้นขึ้นลง พอบุญหรือบาปทำไปหมดเสื่อมลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาทำตามที่เคยทำต่อไปก็จะทำอย่างนี้มาอย่างยาวนานการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้นับจำนวนไม่ได้ประมาณได้จากน้ำตาที่หลังเท่านั้นน้าตาที่หลังน้ำตที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ ถ้ามารวมกันแล้วมันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องกลับมาเป็นมนุษย์กี่ครั้งด้วยกันถึงจะหลั่งน้ําตาได้มากกว่าน้ําในมหาสมุทรแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจะสิ้นสุดได้ก็ต้องมีคนฉลาดต้องมาเจอคนฉลาดซึ่งในานานจะมีสักครั้งหนึ่งที่พบทางออกจากไตพก ที่พบทางออกจากสังสารวัฏคนที่พบทางได้ด้วยตัวนเองก็คือพาาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เองนอกนั้นแล้วไม่มีใครจะสามารถพบทางนี้ได้ไม่มีใครสามารถออกจากตายพบออกจากสังสาวรวัฏได้ด้วยตนเองมีคนคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำได้คือพาาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้า ถ้าได้มาเกิดในยุคที่ได้เจอกับพระพุทธเจ้าเองโดยตรงหรือได้พบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนหรือพระอาลียสงสาว ก, นะก็จะได้เรียนรู้วิธีที่จะออกจากไตพภพได้แล้วถ้านำเอาไปปฏิบัติตามที่ได้ถูกสั่งสอนก็จะสามารถหลุดออกจากไตพภพได้ หลุดออกจากสังสารวัฏได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆอย่างที่เป็นกันอยู่ในขณะนี้พวกเราจะรู้หรือไม่จะเชื่อหรือไม่ก็ตามพวกเราเป็นดวงวิญญาณที่ติดอยู่ในไตในไตพบเนะี่ยส่วนใหญ่ก็ติดกันอยู่ในกา ม, มาพบเนะี่ยเพราะไม่ไปบวชกันนะพวกที่ไปบวชกันก็จะไปติดอยู่ใน กามรูปภพกับอรูปภพพวกที่ไม่บวชไม่ถือศีลแปดก็จะไปติดอยู่ในกามภพแล้วถ้าไปทำบาปก็ไปติดอยู่ในที่ของกามภพที่ที่ไม่ดีที่เรียกว่าทุกขติหรืออบายถ้าเสพโดยที่ไม่ได้ทำบาปก็จะเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้ทำบาปแล้วได้ทำบุญด้วยก็จะได้เป็นเทวดา นี่แหละคือตายภพและผู้ที่จะออกจากตายภพได้ก็ต้องมาเจอพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวงของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลก็มีผู้ที่ได้เจอพระพุทธเจ้านพอฟังเทศฟังธรรมก็รู้เลยว่าเหตุที่พาให้ติดอยู่ในตายภพก็คือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหา พอรู้ท่านก็หยุดกันพอหยุดได้ท่านก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปในใจพวกผู้ที่จะหยุดได้ผู้ที่จะฟังทรรมแล้วหยุดได้ทันทีก็พวกที่ต้องมีกำลังใจมีพลังใจที่จะหยุดความอยากได้ผู้ที่จะมีพลังใจหยุดความอยากได้ต้องเป็นพวกที่มีศีลที่บริสุทธิ์เนี่ยไม่ทำบาป ไม่เสพกามแล้วก็เป็นผู้ที่มีรูปประฌานหรืออรูปประฌานถ้ามีศีลมีสมาธินี่พอได้ปัญญาจากพระพุทธเจ้าพอรู้ว่าผู้ที่ดึงมาให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็คือกามตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหา พอหยุดกามติหาภวตันห า, ะ ว, ะนหาวิภวะตันหาได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในอบายไม่ต้องกลับมาเกิดในตจเพรหลุดออกจากสังสารวัฏได้พอออกจากสังเราสังสารวัฏก็ไปก็ก็อยู่นิพพานทันทีนิพพานคือที่ที่อยู่ข้างนอกของสังสารวัฏเหมือนที่ที่อยู่ของคนที่ไม่ได้ติดคุกเนี่ยนะล่ นิพพานก็คือที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีไตายพบในยุคพุทธกาลนี้ผู้ที่มีศักยภาพพร้อมมีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิระดับรูปฌานหรืออรูปฌานพอได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นปัญญาก็สามารถเอามาหยุดความอยากเอามาตัด พบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ทันทีสามารถบรรลุเป็นพระทหารได้ทันทีในขณะที่ฟังธรรมเลยเนี่ยครั้งแรกของการแสดงธรรมนี้พระพุทธเจ้าฉลาดต้องการสอนให้คนที่ฉลาดผู้ที่ฟังแล้วรับได้ผลทันทีท่านเป็นเหมือนเซลแมนท่านขายสินค้าคือมรรคผลนิพพาน ท่านก็เล่นคนที่มีศักยภาพคนที่มีเงินที่จะซื้อของไม่ไปขายคนที่ไม่มีเงินขายคนที่ไม่มีเงินก็ต้องบอกให้เขาไปหาเงินมาก่อนแล้วเขาถึงจะมาซื้อของที่จะขายได้พระพุทธเจ้าก็เลยไม่ไปสอนพวกที่ไม่มีเงินสอนพวกที่มีเงินซื้อมรรคผลนิพพานพวกที่มีเงินเงินเงินที่จะซื้อมรรคผลนิพพานก็คือ ศีลและสมาธินี่เองในยุคแรกๆท่านจังไปขายมรรคผลนิพพานให้กับพวกคนรวยพวกที่มีเงินที่จะซื้อมรรคผลผนิพพานพวกที่มีเงินจะซื้อมรรคผลนิพพานก็คือพวกนักบวชนี่เองพวกที่มีศีลบริสุทธิ์พวกที่มีสมาธิระดับรูปประชานและอรู ป, ประชานอันนี้ท่านจึงมุ่งไปสอนพวกนี้ก่อน พอสอนปุ๊บเขาก็ติดใจสนใจซื้อสั่งซื้อทันทีพอฟังธรรมปั๊บก็สั่งซื้อมรกผลนิพานทันทีพอเทศเสร็จปั๊บก็บรรลุถึงมรกผลนิพานกันเลยในช่วงเจ็ดเดือนแรกของการขายสินค้าขายมรสผลนิพานของพระพุทธเจ้านี่ท่านก็สามารถขายได้ต้องหนึ่งพันสอง้อยห้าสิบรูป มีผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาหนึ่งพันสองร้ห้าสิบรูปด้วยกันเจ็ดเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมครั้งแรกทรงขายมรรคผลนิพพานครั้งแรกมาจนถึงวันเพ็ญเดือนสามเป็นระยะเวลาเจ็ดเดือนก็มีพวกที่ซื้อสินค้าจากพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้า มาแสดงความขอบคุณกับพระพุทธเจ้าว่าขายสินค้าที่มีคุณไม่มีประโยชน์กับเขาได้เป็นอย่างมากซื้อสินค้านี้แล้วไม่ผิดหวงังซื้อสินค้าจากพระพุทธเจ้าคือปัญญาที่พระเจ้าสอนที่บอกว่าถ้าไม่ถ้าอยากจะหลุดออกจากใตพกหลุดออกจากสังสารวัฏของการเกิดแก่เจ็บตาย ก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามหยุดกามตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหาพอเขาหยุดปับ๊บความทุกข์ที่เขาเคยมีอยู่นี้หายไปหมดเลยใจของเขานี้มีแต่ความสุขตลอดเวลาใจของเขานีไปถึงนิพพานตั้งแต่ร่างกายยังไม่ตายไม่ใช่จะต้องรอให้ร่างกายตายก่อนถึงจะไปถึงนิพพานได้ ใจนี่ไปถึงนิพพานนะไปถึงบามมาสุขแล้วนิบานังปรามังสุขขังแล้วเขาเลยเห็นคุณประโยชน์ของสินค้าของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสั่งคำสอนที่สอนให้กำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาด้วยศีลสมาธิและปัญญานี่เองพระพุทธเจ้าทรงฉลาดคน สมัยนี้คนถ้าเป็นเซลล์แมนก็ควรจะเอาตัวอย่างของพระพุทธเจ้าเอาของไปขายคนที่มีเงินซื้อเย่ยไปขายคนที่ไม่มีเงินซื้อพูดปากเปียกปากฉีกถึงแม้เขาอยากจะได้เขาก็ไม่มีเงินจ่ายไปพอไปผ่านธนาคารก็ไม่ผ่านเสียเวลาเปล่าๆก่อนจะขายต้องดูก่อนคนซื้อว่ามีเงินในธนาคารหรือเปล่า ไปขายคนที่ไม่มีเงินในธนาคารขายจนปากเปียกปากฉีกมันก็ขายไม่ออกใครไม่สังเกตไมมคนมาซื้อบ้านเนี่ไปไปลองไปลองไปดูไปถามธนาคารดูว่าเขาจะปล่อยเงินให้หรือเปล่าไม่ปล่อยหรอกว่าไม่มีเงินไม่มีเครดิตเนี่ยงั้นอย่าไปขายของกับพวกนี้เสียเวลาเปล่าๆขายกับพวกที่มีเงินมีเครดิตดีกว่าไปเช็คที่เครดิตบูโรก่อน ว่าชื่อนี้ชื่อนี้เป็นยังไงเออมีเครดิตหรือไม่หรือมีหนี้สินเต็มตัวพวกที่มีหนี้สินเต็มตัวอย่าไปขายเสียเวลาเปล่าๆขายก็ซื้อไม่ได้ไม่มีเงินที่จะซื้อเนีขาจะเจ้าจึะไม่ไปขายพวกที่ไม่มีเงินเบื้องต้นนี้ขายพวกที่มีเงินที่จะซื้อมากผลผนิพานเงินที่จะซื้อมากผลนิพานก็คือศินที่บริสุทธิ์ ตั้งแต่ศีลแปขึ้นไปนะแล้วก็มีสมาธิที่แน่วแน่มั่นคงในระดับของรูปฌปานหรืออรูปฌปานพวกนี้เนะี่ยพอได้ฟันได้ปัญญาประเถาก็เอาไปปฏิบัติได้เลยพอพระพุทธเจ้าบอกว่าให้หยุดความอยากด้วยการพิจารณาตาลักให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้ทำจะต้องทำให้กลับมาติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิด ก็ไม่เอาดีกว่าหยุดความอยากทันทีหยุดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาทันทีก็หลุดออกจากวัฏฏะสงสารได้ทันทีได้ซื้อสินค้าจากพระพุทธเจ้าทันทีเพราะมีเงินจ่ายพอพวกนี้หมดแล้วทีนี้ท่านก็ไปหาพวกที่มีฐานะปานกลาง พวกที่ยังต้องผ่อนส่งซื้อเงินสดไม่ได้แต่สามารถผ่านธนาคารได้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยพวกที่สองนี้ก็เป็นพวกที่มีศีลแล้วแต่ยังไม่มีสมาธิสมาธิยังไม่แน่วยังไม่แน่นกาลังหัดอยู่ถ้าเป็นเด็กก็เหมือนกำลังหัดยืนหัดเดินอยู่ถ้าเป็น นักบวชก็เป็นพวกที่มีบวชแล้วแต่ยังหัดยังนั่งสมาธิยังต้องมานั่งทำวัดชา้าวัดเย็นมาฝึกนั่งสมาธิอยู่ยังเข้าฌานไม่ได้พวกนี้ก็ต้องมาสอนวิธีให้เขารู้จักการเข้าฌานว่าทาอย่างไรเรื่องศีลไม่ต้องสอนพวกนี้รู้จักรักษาศีลแต่เรื่องฝึกสมาธิเขายังไม่รู้ก็ต้องมาสอนวิธีหาเงินก่อนให้เขาไปหาเงินคือหาสมาธิ วิธีจะหาสมาธิก็ต้องสอนให้เขาฝึกกรรมฐานฝึกการเจริญสติเช่นพุทธานุสติอาณาปณะสติเป็นต้นนต้องสอนเขาว่าต่อไปนี้ต้องมีพุทโธอยู่ตลอดเวลาต้องหมั่นเจริญพุทธานุสติหรืออาณาปณะสติหรือกายกตาสติหรือมรณานุสติต้องมีวิธีเจริญสติอยู่ทุกเวลานาที ตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าฝึกสติได้เดี๋ยวพอนั่งสมาธิจิตก็จะเข้าฌานได้พอจิตเข้าฌานได้จิตก็จะมีพลังที่จะไปเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาศึกษาเพื่อที่จะมาทําลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่คือกลุ่มที่สองที่พระพุทธเจ้าเอหลังจากที่ได้ ขายให้กับพวกกลุ่มที่หนึ่งแล้วพวกกลุ่มที่หนึ่งก็กรรคกายมาเป็นผู้ช่วยของพระพุทธเจ้ามาเป็นอาจารย์ช่วยพระพุทธเจ้าช่วยไปสั่งสอนพวกกลุ่มที่สองและกลุ่มที่สามต่อไปกลุ่มที่สามก็คือพวกญาติโยมพวกที่ยังไม่ได้บวชยังถือได้ก็แค่ศีลห้าศีลแปดนี้ยังไม่มีกำลังก็จะมาสอนให้ถือศีลแปดกัน วันพระมาอยู่วัดกันมาถือศีลแปดกันวันธรรมดาก็ถือศีลห้าไปก่อนเพราะว่ายัางต้องทมหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ยังมีครอบครัวมีภาระหน้าทีา่ก็สอนว่าถ้าอยากจะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดก็ต้องมาหัดรักษาศีลจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดแล้วต้องไปหัดนั่งสมาธิทาใจให้สงบ ไปอยู่วัดไปอยู่ที่สงบเพื่อที่จะทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิให้เป็นให้ให้เป็นลูก ป, ป, ประชานอาลูก ป, ประชานถ้าได้สมาธิแล้วรักษาศีลบริสุทธิ์ได้ก็จะสามารถใช้ปัญญาของท่าเจ้าที่สอนให้กาจัดกามตหาภาวตันห า, ะ ว, ะนหาวิภาวตัหาให้หลุดออกไปจากใจได้ พระพุทธเจ้าเป็นเซลล์แมนที่ฉลาดไม่ไปขายคนจดคน ท, ที่ไม่มีเงินต้องไปเสียเวลาสอนให้เขาไปหาเงินก่อ น, นเน็ตเหนื่อยสอนคนที่มีเงินแล้วก่อนคนที่พร้อมที่จะจ่ายทันทีพอโฆษณาสินค้าบอกคุณนภาพของสินค้าว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้พอเขาถูกใจปั๊บเขาก็ซื้อได้ทันทีนพอขายให้พวกนี้หมดแล้วทีนี้ก็ต้องมาขายพวกที่สอง พวกที่มี ม, มีมีกำลังที่จะจ่ายแต่ต้องจ่ายแบบผ่อนส่งจ่ายสดไม่ได้มีอยู่ผ่านธนาคารไปขอเครดิตจากธนาคารได้พอสอนพอสอนพวกนี้หมดแล้วก็ต้องไปสอนพวกที่ไม่มีเครดิตในธนาคารพวกที่ไม่มีปัญญาที่จะจ่ายต้องไปสอนวิธีหาเงินก่อน สอนวิธีให้เขารู้จักรักษาศีลก่อนรักษารักจารศีลแปดเขารักษาได้อย่างมากก็แค่ศีลห้าแต่ศีลแปดนี้เขายัางไม่มีกําลังไม่มีเวลาเพราะต้องคอยอหาความสุขจากการเสพกามก็เลยต้องมีภาระต่างๆตามมาต้องมีครอบครัวมีมีบุตรมีที่ดาที่จะต้องคอยดูแลเลี้ยงดูะ แต่ไปอยู่วัดไปบวชก็ยังทําไม่ได้ก็ให้ไปบวชชั่วคราวก่อนให้บวชอาทิตย์ละหนึ่งวันคือวันพระวันพระก็ให้ไปหยุดทํางานสักหนึ่งวันแล้วไปอยู่วัดไปหัดรักษาศีลแปดไปหัดนั่งสมาธิไปหัดฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญากันพวกนี้ก็จะช้าหน่อยแต่ถ้า เขาพยายามต่อไปเขาก็จะสามารถไปบวชได้พอบวชได้เขาก็จะสามารถไปฝึกสมาธิให้ได้รูปฌปานอรูปฌปานได้พอเา็าได้สมาธิเขาก็จะสามารถที่จะเอาปัญญาที่ได้เรียนจากการฟังเทศฟังธรรมนี้มาหยุดความอยากต่างๆความจริงปัญญาทางาศาสนา นี่มีไม่กว้างเรามีแค่นี้เองมีแค่ให้กําจัดความอยากทั้งสามตัวนี้เท่านั้นแหละกำจัดด้วยศีลสมาธิและปัญญาปัญญาก็คือความรู้ที่รู้ว่าตัวที่ทําให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือความอยากทั้งสามนี้เองกามตั t หาภ a parvatanha, v i p a r v a t ถ้าอยากจะหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดออกจากสังสารวัฏก็ต้องมาหยุดความอยากทั้งสามนี้เท่านั้นเองถ้าหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ติดอยู่ในไตายพบอีกต่อไปก็จะไปอยู่ที่นิพพานที่ไม่มีวันไม่มีวันทุกมีแต่ความสุขตลอดเวลา ปัญญาของศาสนาพุทธนี้ไม่ต้องเรียนมากไม่ต้องไปแบกคำภีให้มันหนักปวดหัวให้รู้เท่านั้นว่าจะทำยังไงให้ออกจากไตภพได้ให้ออกจากสังสารวัตได้การจะออกจากสังสารวัตได้ก็ต้องฆ่ายามที่มันคอยคอยคุมเราไว้ไงพวกนักโทษนี่เวลาเขาจะแหกคุกเขาทำยังไงเขาต้องฆ่ายามที่คอยมาควบคุมเขาเท่านั้นเอง พอฆ่ายามได้เขาก็แหกคุกได้อันนี้ก็เหมือนกันเราต้องมาฆ่ายามที่มันควบคุมดวงวิญญาณจิตใจของพวกเราให้ติดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยยามที่มันมาคอยควบคุมเราก็คือความอยากทั้งสามนี่เอกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาดังั้นถ้าอยากจะออกจากตายพบพอเกิดกามาตัญหาต้องฝืนมันพออยากจะไปเที่ยวต้องฝืนมัน พออยากจะดูหนังน่องฟื้นมันค่ามันค่ายามที่มันคอยกักขังให้เราติดอยู่ในตาพบกันค่าสามตัวนี้เองค่าความอยากเสพกามค่าความอยากจะเสพรูปประชาญค่าความอยากจะเสพอารูปประชานพอค่าทั้งสามตัวนี้ได้แล้วทีนี้มันก็ไม่มียามมากักขังเราแล้ว เราก็สามารถออกจากคุกตารางได้อย่างสบายเนี่ยปัญญาของาศาสนาพุทธมีง่ายๆแล้วสอนด้วยว่าอาวุธที่จะมาข้ามก็สอนด้วยว่าให้ใช้อาวุธอะไรถึงจะฆ่ายามที่กักขังดวงวิญญาณของพวกเราให้ติดอยู่ในตายพบได้ก็คือศีลสมาธิปัญญานี้เป็นเหมือนมีดเป็นเหมือนปืนเป็นเหมือนลูกระเบิดเนี่ยถ้ามีอาวุธสามาัญนี้เจอ เจอยามปั๊บยิงมันได้แทงมันได้โยนระเบิดใส่มันโตูมเดียวมันระเบิดกระเจิงไปหมดนเลยนี่แหละมันต้องไปศึกษามากแล้วสิ่งที่ต้องทํามากก็คือปฏิบัติ<ม>ศึกษาไปก็เท่ากับความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดรู้พระไตรปิฎกเนี่ยมีสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งเป็นพระเทระบวชมาหลายสิบปีรู้ รู้คำสอนในพระไตรปิฎกหมดเลยแตทุกครั้งที่พระตจ้าเจอะพระตจ้าบอกว่าเป็นความรู้แบบใบาลานเปล่าเธอมีความรู้แบบใบาลานเปล่าเหมือนกับไม่มีความรู้นะใบาลานเปล่าก็คือไม่มีไม่มีตัวอักษรบันทึกอยู่ในใบาลานเ็าเรียกว่าใบาลานเปล่าก็คือไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดเพราะเธอเรียนแล้วเธอไม่เอาไปปฏิบัตินั่นเอง พอพูดอย่างนี้ห ล, หลายข้าครั้งเข้าก็เลยรู้แล้วว่าพระตถาจาบอกว่าต้องไปปฏิบัติอย่าเรียนอย่างเดียวรู้แล้วไม่ไปปฏิบัติไม่ไปหาอาวุธมาทำลายตันหาทั้งสามตัวก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากคุกตารางของสังสารวัฏได้พอรู้อย่างนี้ก็เลยไปหาพระอารหาันต์ พตอรู้ว่าต้องมีพระอาหารหันต์ทนั้นถึงจะสอนวิธีที่ถูกต้องได้ก็ไปเจอสำนักหนึ่งที่มีพระอาหารหันต์ทั้งหมดในสำนักนั้นตั้งแต่หัวหน้าลงไปจนถึงสมมามเณรเป็นพระอาหารหันต์กันหมดนีก็เลยไปกราบหัวหน้าขอฝากเป็นลูกศิษย์หัวหน้าก็เห็นว่ามีปัญษามากกว่าไม่อยากจะสอนผู้ใหญ่กว่าก็เลยปฏิเสธ ก็เลยบอกให้ลองไปถามพระรูปอื่นดูไปถามพระรูปไหนเขาก็ปฏิเสธเขาไม่อยากจะสอนพระผู้ใหญ่ก็เหลือแต่สัมมนเนนอ่ะแต่ยังมีศรัทธาเชื่อว่าสัมมนเนนนี้ก็เป็นพราะอารหันต์สอนท่านได้ก็เลยไปขอความฝากตัวเองเป็นลูกศิษย์ให้กับสัมมนเนนตอนต้อนสัมมนเนนก็ทำท่าเมื่อครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ไม่รับแล้วเราไปรับได้อย่างไร พอทำท่าจะปฏิเสธพระหัวหน้าท่านก็บอกธรมมเนจรเธอไม่สงเคราะห์เขาบ้างเหรอเธอไม่เมตตาเขาสักหน่อยเหรอพอได้ฟังอย่างนี้สรรมเนรก็เลยตัดสินใจรับมาเป็นลูกศิษย์นะยรรมเนจรมาสอนพระบวชสามสิบพรรษานี้มีไหมในโลกนี้มีในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระบวชสามสิบพรรษายอมรับว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอด ความรู้แบบใบาลานเปล่ายอมมาเป็นลูกศิษย์ของสัมมเนนให้สัมมเนนสอนแต่ก่อนสัมมเนนจะสอนสัมมเนนต้องทดสอบดู ว, ว่าจะเชื่อฟังจริงหรือไม่ก็เลยเอามาใช้ทํางานก่อนใช้ล่างกระโถนใช้ล่างส่วมใช้ล่างบาทใช้ซักจีวรใช้กวาดถูอะไรทุกอย่างใช้ให้ลงไปลุยน้ําให้หยิบของในอยู่ที่ในน้ํา พอลงไปด้วยน้ำตัวเปียกก็บอกไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจไม่ต้องก็ได้ทดลองดูว่าจะเชื่อฟังจะโกรธไหมจะเคายังเคารพนับถืออยู่หรือเปล่าพอเห็นว่าพระเถรานี้ยอมทุกอย่างเพราะอยากจะเป็นลูกศิษย์อยากจะเรียนรู้วิธีปฏิบัติก็เลยเริ่มสอนธรรมะให้สอนวิธีที่จะกาจัดความอยากทั้งสามนี้ ก็คือให้ใช้สติคอยเฝ้าดูมันความอยากทั้งสามนี้มันจะออกมาทางตาหูจมูกมนิ้งกายนัดใจก็สอนบอกให้ปิดทางออกห้าทางปล่อยให้เหลือทางเดียวคือใจปิดตาหูจมูกมนิ้งกายด้วยการสำรวมอินทรีย์เช่นไปถือไปอยู่คนเดียวอย่าไปยุ่งกับใครอย่าไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่จะทําให้เกิดความอยากขึ้นมาะ แล้วก็มีสติมาคอยดูความอยากที่มันจะโผลขึ้นมาที่ใจพอมันโผลขึ้นมาก็ใช้ปัญญา ใ, ใช้ใจรักทำลายมันเลยพอสอนเที่ยนี่ก็บรรลุได้ปฏิบัติได้บรรลุได้ทันทีเนี่ยนี่คือเรื่องของการศึกษาศึกษาอย่างเดียวไม่พอศึกษา แล้วต้องปฏิบัติเนี่ยไม่เช่นนั้นจะเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดไม่รอดพ้นจากความทุกข์เนี่ยต่อให้เรียนจบนักธรรมตีโทเอกจบปะเรียนหนึ่งถึงปะเรียนเก้าแต่ถ้าไม่เอาไปปฏิบัติตันหาความอยากในใจมันยิ้มมันสบายมันไม่กลัวสิ่งที่มันกลัวคือศีลสมาธิปัญญาต้อง <Yeah. S 1> ถ้ามีศีลแล้วก็ต้องไปฝึกสมาธิ ถ้ามีสมาธิแล้วก็ต้องไปฝึกปัญญาต้องให้เห็นไตรลักษณ์ต้องให้เห็นอริยสัจสี่ถึงจะสามารถที่จะทําลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่เป็นเรื่องของการที่บุคคลต่างๆจะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ในเบื้องต้นต้องเจอคนฉลาด หรือตัวแทนของคนฉลาดคือเจอพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนมีสองอันคำสอนที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่ก็เป็นตัวแทนหรือพระอริยสงสาวกที่เป็นผู้รู้ทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนะต้องไปเรียนจากบุคคลเหล่านี้ต้องถือบุคคลเหล่านี้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเนี่ยที่พึ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าพึ่งพึ่งเงนินพึ่งทองพึ่ง ข้าวของพึ่งวัตถุมงคลไม่ใช่เป็นเทือเพึ่งแบบนั้นที่พึ่งเป็นทางด้านความรู้เป็นผู้สั่งผู้สอนเป็นครูเป็นอาจารย์ต้องมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เชื่อว่าท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราได้สอนวิธีที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าไม่ศรัทธาแล้วไปศึกษาไม่ได้ศึกษาแล้วก็จะคอยเถียงคอยค้านอยู่เรื่อ ย, อยต้องศรัทธาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพูดถึงแม้ว่าเราจะคิดตรงขันข้ามกับที่ท่านสอนก็ตามคำสอนของท่านต้องถูกความคิดของเราต้องผิดถึงจะไปเรียนจากผู้อื่นได้ถ้าไปคิดว่าคำสอนเ็าผิดแล้วความคิดของเราถูกก็ไปเรียนทาไมไปถือเขาเป็นอาจารย์ทาไม ถ้าเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายเราบอกไม่ถูกทางนี้ไปไม่ถูกต้องไปเลี้ยวขวาถ้าเงื่อนไปไปไปถามคนบอกทางทําไมคนบอกทางเขาก็ขี้เกียจบอกกันสิบอกให้เลี้ยวซ้ายแล้วมันดันไปเลี้ยวขวาอย่างนี้นี่เขาคำว่าศรัทธาคําว่าถือสารณะหมายถึงอย่างนี้ให้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นตะ์ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้ทําอะไรต้องทําตามไม่ใช่มาแทงกั๊กว่าเอขอรอให้ก่อนเอขอรอให้แก่ก่อนแล้วค่อยมาถือศีลแปดค่อยเข้าวัดเอถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้ถือไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้เชื่อพระพุทธเจ้าบอกต้องนึกถึงความตายตลอดเวลาวันนี้จะตายวันนี้ก็ได้ไม่ใช่จะรอให้แก่ก่อนแล้วค่อยตายเออ นี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จะได้รีบมาปฏิบัติรีบมาศึกษากันไม่างั้นก็จะบอกว่าเดี๋ยวรอให้แก่ก่อนแล้วค่อยมาเข้าวัดค่อยมาศึกษามาค่อยปฏิบัติกลัวมันจะไม่แก่สิกลัวมันจะตายก่อนแก่สิทำไมนี่ใช่ไหมคนตายอายุน้อยๆมีเยอะแยะไปหมดนแม้แต่เป็นพระก็ยังมีเนี่ยมีพระอยู่ปวชที่วัดนี้ไปอยู่ที่ทางเชียงรายพอดีไปเจอน้ํา น้ำป่าไหลหลากําลังเดินข้ามค้วยกรก็ถูกน้ำป่าไหลยพัดหายไปเดี๋ยวนี้ยังหาตัวไม่เจอเนะี่ยหายไปสิบกว่าวันละคนเราจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นะนึกถึงความตายไว้มันจะได้ไม่ประมาทมันจะได้รีบมาศึกษารีบมาปฏิบัติกันเนี่ยต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแบบนี้เนี่ยต้องเราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อย แล้วมันจะทำให้เรามีความกระตือรือร้นไม่คอยผัดวันประกันพรุ่งคอยเลื่อนไปเรื่อยๆไว้พรุ่งนี้ค่อยทำไว้เมื่มอืนนี้ค่อยทาวันนี้ไม่ว่างขอทำอย่างอื่นก่อนมันก็จะหลอกเราให้เราผัดไปเรื่อยๆแล้วพอมาถึงเวลาแก่ก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะปฏิบัติแล้ว น, นี่คือความการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะต้องเชื่อ นอาต้องทำตามนะรพระพุทธเจ้าให้เราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆนะถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆจะได้ไม่ประมาจะได้รีบมาศึกษามาปฏิบัติกันนะแล้วต้องเชื่อฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติให้ทรงกระทำนะถ้ามีศรัทธาแล้วทีนี้ก็จะได้ไปศึกษาพอได้ศึกษาได้รู้วิธีก็จะปฏิบัตินะ พอปฏิบัติแล้วทีนี้ก็ไม่ไม่นานก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดออกจากสังสารวัฏได้เหมือนกับสมัมมเนนที่ทดสอบความเชื่อของพระเถระว่าเชื่อจริงหรือเปล่าหดือยแก้งเชื่อก็เลยหลอกเอามาใช้ก่อนเอามาล้างกระโถนล้างซ้วมล้างบาทมาซักจีวรมากวาดถูกุฏิมาใช้สารพัดอย่าง ใช้ให้ลงไปลุยนะ้าไปหยิบของในน้ามาพอเปลี่ยนใจก็บอกไม่ต้องแล้วไม่เอาแล้วก็ดูว่าจะยังเคารพอยู่หรือเปล่ายังโกรธหรือไม่โกรธเนี่ยต้องทดสอบดูนิสัยของลูกศิษย์กันอย่างจริงจังว่าจะเชื่อกันหรือไม่หรือว่าพอพูดอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็จะโกรธขึ้นมาแล้วถ้าโกรธก็ไม่ต้องกลับมาไม่ต้องมาเป็นลูกศิษย์ เหมือนหลวงตาลูปหนึ่งทดสอบลูกศิษย์คุณหญิงคุณนายมาฟังเทศฟังธรรมบอกโอ้ยตั้งแต่ฟังธรรมของหลวงปู่หลวงตาแล้วกิเลสมันรูมันหายไปไหนหมดหลวงปู่บอกอีกต่อแหล่ <c oughs> พูดแค่นั้นก็รู้โาจะเป็นลูกศิษย์จริงแล้วไม่ลูกศิษย์จริงเออถ้าไม่กลับมาก็แสดงว่าเป็น น, นี่แหละคือเรื่องของธรรมะฉะนันเวลาไปหาพระอริยสงฆ์กูบาจานี่ต้องระวังรับรับลูกเด็ดนะ <c oughs> แต่ไปหวังเจา้าแต่ลูกรูปหัวนะ <c oughs> เผอๆนะตบตบหัวพัวเลย <c oughs> ใหม่ๆก็อาจจะแกล้งลูกหัวหน่อยแต่พออยู่ไปนานๆเข้าก็อาจจะทดลองดูว่า <c oughs> ตบหัวมันทักทีดูจะเป็นยังไง ดูว่ามันจะทนได้หรือเปล่าเพราะทําที่จะไปปฏิบัตินี่มันเจ็บยิ่งกว่าการตบหัวนะ <c oughs> การจะค้ากิเลสนี่มันต้องอยู่ฟากตายต้องยอมตายเนะี่ยมันถึงจะเอาชนะกิเลสได้ถ้ามาถูกตบหัวหน่อยก็โกรธแล้วก็ก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปแล้วมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อระงับความโกรธพอถูกครูบาอาจารย์ตบหัวหน่อยก็กลับไปโกรธครูบาอาจารย์ มันก็จบมันก็ไปไม่ได้ <c oughs> นะนี่คือเรื่องของการออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัฏต้องก้หา พ, าพระพุทธธรรมหรือพระสงฆ์และต้องอดทนต้องเข้มแข็งต้องกล้าที่จะรับข้อทดสอบต่างๆจากครูบาอาจารย์ไม่าะฉนนั้นแล้วก็จะไม่มีความอดทนไม่มีความแก่งที่จะเอาไปสู้กับกิเลสตัณหาได้นั่นเอง ก็ขอให้ท่านจงนำมาไปพินิตพิจารณาการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรอย่าถาวาริวาหาปุราปาริปุเลติสาขลังเอวเมวะอิตูทินางเปตานังอุปปกักปติ อิิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปเรนโตสัง a ปะจันโทปนาราโสยถามณิโชติาราโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพารุโควินาสโต มาเตผวัตโตอันตรายุสุขีทีขายุโกผวะอภิวาทนสีฤิตสะนิจจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันโสุขังภาลาง ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่อย่ารอถามหลังใหม่เพราะจะไม่มีหลังใหม่ให้ถามมีแต่หน้าใหม่วันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่คะ่ะวันนี้จาก Facebook 287 YouTube 329จ็ยูทยยวิออนไลน์29 ผู้รฟังบนเขา47รวม692ท่านค่ะ ม, มีคำถามก็ส่งเข้ามาได้เลยคมีคำถามฝากถามนะคะถ้าคนไข้ที่เจ็บป่วยมากและร้องขอให้แพทย์ใช้ยาระงับความปวดจนคนไข้าสามารถหลับและเสียชีวิตไปได้โดยไม่ทรมานกรณีนี้แพทย์ควรจะทำหรือไม่ถ้าคนไข้ร้องขอและญาติก็ยินยอมอถ้าไม่ได้เป็นเหตุที่ทาให้เขาตาย ถ้ายาเป็นยาแก้ปวดเพื่อลังับความปวดนันใช้ได้แต่ถ้าเป็นยาที่ทำให้เขาหยุดหายใจนี้ก็ใช้ไม่ได้ต้องแยกแยะว่าเป็นยาประเภทไหนยาฆ่าหรือยาลังับความปวดถ้ายาทำให้คนตายก็ถือว่าบาปแต่ถ้าไปช่วยบรรเทาความเจ็บปวดโดยการใช้ยาแก้ปวดชนิดต่างๆนี้ก็ไม่ถือว่าบาป คำถามจากอุบาสกพงศ์เมื่อเราถือไตรเมื่อเราถือไตรสรนาคมแล้วต้องไม่กินของดิบน้ำปลาร้าที่ยังไม่สุกเมื่อเรากินเข้าไปเช่นใส่ในส้มตำจะทำให้ไตรสรณคมที่เราถืออยู่เศร้าหมองหรือไม่ครับมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ในระดับไหนของการถือศีลเนี่ยถ้าเราอยู่ระดับของคาราว่านี่เรากินอะไรก็ได้ที่มัน ไม่ได้เกิดจากการกระทาของเราที่ให้เขาตายเช่นเนื้อสัตว์เรืออะไรต่างๆถ้าเราไม่ได้ไปฆ่าหรือไปสั่งให้เขาฆ่ า, านี่เรากินได้ไม่ทำให้ความเสื่อมในสารนักขมเกิดขึ้นเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนการถือศีนว่าเราถือศีนอะไรศีนห้าหรือศีนแปดมันไม่ต่างกัน มีคำถามคำเดียวแล้วมีอีกค่ะ yeah. คำถามฝากถามมีสองข้อนะคะคำถามข้อที่หนึ่งเพื่อนทำงานอุ้มฆ่าพ่อค้ายาเสพติดและได้ฆ่ามาแล้วหลายคนอาชีพนี้บาปหรือไม่ครับบาปจะฆ่าใครก็บาปเพียงแต่ว่าบาปมากบาปน้อยฆ่าคนที่มีอันตรายต่อสังคมนี่บาปน้อยกว่าฆ่าคนที่มีคุณต่อสังคมนะฮะยนบาปมันมีหนักมีเบา แต่หนักทั้งนั้นค่าคนนี้หนักกว่าค่าสัตว์นะค่าสัตว์ใหญ่หนักกว่าค่าสัตว์เล็กเนี่ยมันเพราะสัตว์แต่ละประเภทมีบุญมีคุณต่อมนุษย์เราต่างกันไปคนไทยเรามักจะไม่อยากจะกินค่าวัวค่าควายเพราะเขามีคุณคุณเป็นมาช่วยทำไร้ไถนาเขาก็จะค่าแต่สัตว์เล็กกินกันเช่นเป็ดไก่หมูอะไร พวกนี้เขาไม่ค่อยมีคุณประโยชน์อะไรแต่วัวควายนี้มีคุณประโยชน์นก็จะเถอเป็นเหมือนเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องก็จะไม่ไม่ไปฆ่าเขาเพื่อเอาเขามากินนอกจากว่าถ้าเขาตายแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าเขาตายแล้วเนื้อจะเอาไปเผาเอาไปฝังเอามากินมันก็ไม่ไม่ต่างกันคำถามข้อที่สองค่ะ แล้วการที่เราช่วยกำจัดพ่อค้ายาแบบนี้ทำให้ยาบ้าไม่ถูกส่งไปทำร้ายคนในประเทศอีกมากมายเราจะได้บุญไหมครับเราไม่ได้บุญหรอกเพราะว่ามันเพียงแต่เราเระงับการกระทำบาปของผู้อื่นเท่านั้นเองด้วยการกระทำบาปของเราคำถามจากคุณดอกไม้สีม่วง ถ้าเราตายไปลงนรกชดใช้กรรมหมดแล้วและได้กลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกครั้งซึ่งอดีตจิตได้ทําบาปมากดังนั้นจะมีวิธีใดบ้างคะไม่ให้จิตคิดทําบาปเหมือนที่เคยทําไว้ตอนที่เกิดเป็นมนุษย์เหมือนในอดีตก็ต้องอยู่กับพวกที่ก็ไม่ทําบาปเพราะผู้ที่คนที่เราอยู่ด้วยเขาจะมีอิทธิพลต่อการการะทําของเราถ้าเราไปคบกับพวกที่ชอบทําบุญไม่ทําบาปเขาก็จะชวนเราไปทําบุญไม่ ห้ามไม่ให้เราทำบาปเช่นไปเกิดในครอบครัวตอนที่เป็นเด็กเนี่ยถ้าไปเกิดในครอบครัวที่เขาทำบุญไม่ทำบาปเขาก็จะพาให้เราทำบุญไม่ทำบาปถ้าเราไปเกิดในครอบครัวที่พาให้เราทำบาปไม่ทำบุญเขาก็จะพาเราไปแต่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวถ้านิสัยของเราที่ชอบทำบาปหรือทำบุญมันมีมีกำลังมากกว่าพอเราโตขึ้นเราก็จะไปทำตามนิสัยเดิมของเรา ถ้าเราชอบทําบาปเราก็จะไปทําบาปต่อชอบทําบุญเราก็จะไปทําบุญต่อถึงแม้ว่าตอนเป็นเด็กพ่อแม่จะคอยสั่งคอยสอนอยู่ก็ตามถ้าเราต้องการเปลี่ยนนิสัยนี้เราต้องมีโอกาสได้คิดือได้ฟังจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าถึงคุณและโทษของการทําบุญและทําบาปเมื่อเราเห็นแล้วเราก็อาจจะอยากจะเปลี่ยนนิสัยของเราได้ถ้าเราเห็นว่าการทําบาสมันทําให้เราทุกข์มาก กว่าสุขก็เราก็อาจจะเริ่มหันหันเลิกทาบาปได้ถ้าเราเห็นว่าทาบุญนี่ทำให้เราสุขมากกว่าทุกขเพราะว่าการทาบุญนี่ก็ทุกทุกเพราะว่ายาเาเงินไปเที่ยวไม่ได้นะต้องเอาเงินไปทำบุญมันก็เกิดความทุกจากการไม่ได้เที่ยวแต่มันได้บุญได้ความสุขจากการทาบุญที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมันก็อาจจะทาให้เราเปลี่ยน เปลี่ยนยนิสยัยได้อันนีต้ต้องรู้เหตุรู้ผลผู้ที่จะเปลี่ยนนิสัยของตอนเองได้ต้องรู้ว่าทำอะไรแล้วมันดีหรือไม่ดีกับตัวเราเองคำถามที่สองจากคุณดอกไม้สีม่วงนะคะแล้วถ้าเราไปปฏิบัติธรรมได้กล่าววาจาไปว่าจะปฏิบัติให้ได้9ก้าวันปรากฏว่าเราปฏิบัติไม่ครบตามที่กาหนดต้องกลับบ้านก่อนจะบาปไหมคะ ก็แสดงว่าเราโกหกตัวเราเองแร้วโกหกคนอื่นนันเอก็ถือว่าบาปเหมือนกันถ้าเรากล่าวด้วยเวจาวาจาบอกกับสถานที่เราไปปฏิบัติว่าจะอยู่เก้าวันแล้วพอถึงเวลาก็อยู่ไม่ครบก็ไปโกหกเขาก็ทำให้เราไปแย่งที่อยู่ของคนอื่นเพราะถ้าเราอยู่ไม่ครบคนอื่นที่ก็จะไม่อยู่ช่วงนั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะเราจองไว้ก่อนแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยู่แค่หกวัน อีกสามวันเขก็จะได้แบ่งให้คนอื่นอยู่ได้ อ, อ, อันนี้ก็บาปอะนั้นจะทำอะไรต้องคิดให้ดีก่อนเราว่าคำพูดนี้ก่อนที่เราจะพูดเราเป็นนายมันแต่พอเราพูดแล้วมันจะมาเป็นนายเราเห็นก่อนที่จะพูดอะไรอนาคถ้าเ ร, เรื่องเกี่ยวการอนาคตถ้าไม่แน่นอนก็ควรจะควรจะมีข้อแม้วงลไว้ว่าถ้าทาได้ถ้าไม่มีเหตุการณ์สุดวิสัย อ, อ, อย่างนี้ เขาจะได้รู้ว่าเรายังไม่แน่นอนเขาจะได้เตรียมเผื่อไว้ได้หรือเขาอาจจะปฏิเสธเราก็ได้ถ้าคุณอยู่ไม่ได้ก็อย่าอยู่ดีกว่าเขาก็จะได้เปิดที่อยู่ให้คนอื่นเขาอยู่ได้คุณดอกไม้สีม่วงอีกคาถามนะคะเมื่อตอนตายจิตคิดถึงเรื่องดีๆแล้วได้ขึ้นสวรรค์แต่เราก็ทำบาปด้วยแล้วเราต้องกลับมาชดใช้กรรมในนรกไหมคะ คือมันความคิดตอนตายมันไม่ได้เป็นตัวที่จะมีอิทธิพลตัวที่มีอิทธิพลมากกว่าคือปริมาณของบุญหรือบาปที่เราทาไว้ถ้ามีปริมาณของบาปมากกว่าถึงแม้เวลาตายจะคิดถึงความดีมันก็มันก็สู้กำลังของบาปที่จะดึงให้ไปเกิดในอบายไม่ได้เนีย่ยอยู่ที่ปริมาณของบุญที่บาปเราสะสมไว้ในใจเรา แล้วพอบุญกับบาปมันมีกําลังเท่ากันมันก็จะทําให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คําถามที่คุณเอกชัยหากไม่สะดวกไปปฏิบัติที่วดัดสามารถปฏิบัติที่บ้านได้อย่างไรบ้างครับก็ต้องทําที่บ้านให้เป็นเหมือนที่วัดนั่นเลยต้องมีห้องที่เราอยู่คนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเขียนที่เขียนป้ายติดประตูที่ประตูว่าที่นี่คือวัดที่ปฏิบัติธรรม อ้ามลบกวนแล้วก็ไปอยู่แล้วก็ไปนั่งสมาธิในห้องนั้นถ้าเสียงดังก็ทำเป็นแบบห้องเก็บเสียงไปเลยแล้วก็ถ้ามันร้อนก็มีเงินก็ติดแอร์นี่ก็ปฏิบัติอยู่ในห้องนั้นคนเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับใครขังตัวเองอยู่ในกรงง่ายๆไปไวัดก็ไปขังตัวเองอยู่ในกรงเหมือนกันคำถามจะาคุณแบงค์ ทำกรรมอันใดไว้ถึงไปเกิดเป็นอสุรกายครับก็ทำด้วยความกลัวไงกลัวมดกลัวมแมลงกลัวสัตว์เลือ้อยคานกลัวอะไรต่างๆก็ไปทำบาปเพื่อป้องกันสิ่งที่จะมาทำให้เรากลัวมาทำมาทาร้ายเราฆ่างูฆ่ามดฆ่ามแมลงอะไรต่างๆเหล่านี้่าคนบางทีก็กลัวคนจะมาฆ่าเราก็เลยจ้างให้จ้างให้คนไปฆ่าเขาก่อน คำถามจากคุณแคทการปฏิบัติคือเพียรทาไปเรื่อยๆถ้าเกิดความทุกข์แปลว่าเราหลงให้หาให้เจอเพราะหนทางแห่งการพ้นทุกข์มันจะไม่ทุกข์ละความอยากให้หายไปเรื่อยๆไม่เร่งเพียรทำไม่หยุดไม่หย่อนใช่ไหมคะ ก, ก็เหมือนรักษาพยาบาลเนี่ยก็ต้องกินยาไปเรื่อยๆถ้าไม่ถ้าหยุดกินเดี๋ยวโรคมันก็กลับมาใหม่ป็นไปจนกว่า โลกมันจะหายถึงจะหยุดกินได้คำถามจากคุณแบคโฮมวิธีที่จะลดทิฏฐิมานะในตัวในตนของเราทำอย่างไรครับก็ทาตัวให้เป็นเหมือน เ, อเหมือนแจ๋วก็แล้วกันเหมือนคนรับใช้คิดว่าเราเป็นคนรับใช้ทุกคนเพราะการรับใช้ผู้อื่นนี่เป็นบุญการรับใช้ผู้อื่นนี่ถือว่าเป็นบุญชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นการลดปัญหาเรื่อง อัตราตัวตนลงได้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราคิดว่าเราเป็นเหมือนปัตภีเป็นเหมือนแผ่นดินะที่ใครจะเหยียบใครจะย่ําก็ได้ใครจะลดใครจะเทปัสวะอุจฉ ะ, ล, ะลงไปบนดินก็ได้อันนี้ให้ทําตัวแบบนั้นใครจะดา่าใครจะตําหนิติเตียนใครจะดูถูกดูแคลนก็ ก็ให้เขาทาไปแล้วถือว่าเราต่ําต้อยเราเป็นเหมือนขอทานเป็นเหมือนคนยากจนเป็นเหมือนคนไม่มีเกียรติไม่มียศเนี่ยต้องทําแบบนั้นแล้วจิตใจจะสบายจะไม่เดือดร้อนเวลาใครเขาดูถูกดูแคลนหรือไม่ให้ความเคารพนับถือเราอืคําถามจากคุณชยาพล การทำสมาธิจนถึงฌานสี่สามารถเป็นเหตุให้สมปรารถนาจริงหรือครับก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งเป็นอาวุธชนิดหนึ่งแต่ยังต้องมีปัญญาการสมพานปรารถนาในหมายที่นี่หมายถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์นะไม่ใช่สมปรารถนาเพื่อจะได้แฟนจะได้รวยนี่ไม่ใช่นั่นมันคนละเรื่องกันเดี๋ยวไปนั่งสมาธิแล้ ว, ลวรอเมื่อไหร่จะได้แฟนใหม่สักทีนี่ไม่เกี่ยวกัน การนั่งสมาธินี้เพื่อทำให้จิตมีความสุขในตัวเองเพื่อที่จะได้หยุดการหาความสุขจากคนอื่นหาจากความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้คําำถามจากคุณโพชัยมีสามคำถามนะคะเวลาคำถามที่หนึ่งเวลานั่งสมาธิบริกรรมพุทโธแล้วปวดเกรง็งบริเวณศรีรษะเราต้องแก้อย่างไรครับ เป็นเรื่องธรรมดาถ้ามันเกิดเฉพาะเวลาที่เรานั่งแสดงว่ามันเป็นการต่อสู้ของกิเลสกับเรากิเลสมันไม่ชอบให้อยู่เฉยๆมันก็จะสร้างอาการนี้มาหลอกเราเราก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าเราบริกรรมมันไม่มันไม่ไหวหรือดูลมไม่ได้ก็สวนมนต์ไปก่อนสวนมนต์แล้ฟังเทศน์ฟังธรรมไปก่อนเพื่อบรรเทา พลังของกิเลส ท, ที่มันก่อกวนพอฟังไปเนื้อส่วนมันไปสักระยะหนึ่งจิตจะเบาลงจะสงบมากขึ้นแล้วก็อาจจะนั่งดูลมต่อไปแล้วบริกรรมพุทธโธได้คาถามที่สองนะคะเราจะนั่งอย่างเดียวโดยไม่บริกรรมเพียงแต่นั่งไปเรื่อยๆจะได้ไหมครับไม่ได้นะต้องดูต้องมีสติอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าไม่บริการพุธทธะก็ต้องมีดูการลมหายใจเข้าออกเรีอยไม่เช่นนั้นก็ต้องระลึกถึงวอิอารมณ์อย่างอื่นที่จะทำให้จิตใจเรามีความควบคุมหยุดความคิดได้ถ้านั่งเฉยเดี๋ยวจิตใจมันจะคิดปรุงแต่งแล้วสร้างอะไรมาหลอกเราได้สร้างภาพสร้างเสียงอะไรมาหลอกให้ทำให้เราหลงหรือทาให้เรากลัวขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีสติคอยควบคุมใจ จะเป็นการสวดมนต์เป็นการพุทธดูลมหายใจหรือพุโทโธไปนี้จิตใจก็จะไม่สามารถที่จะมาผลิตอารมณ์มาหลอกเราได้แล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ค่ะคำถามข้อที่สามนะคะแล้วเมื่อเรารู้สึกเกรงเราจะดูความรู้สึกนั้นจนดับไปเองจะถูกต้องไหมคะก็ลองดูสิถ้าดูแล้วมันดับได้ก็ดูไป ถ้าดับไม่ได้ก็ควรจะใช้คำบริกรรมจะดีกว่าอย่าไปสนใจกับอาการเกร็งเพราะบางทียิ่งดูมันยิ่งเกร็งใหญ่ถ้าเราไม่ไปดูไม่ไปสนใจมันเดียวมันก็หายได้ของมันเองคำถามที่คุณปราณีหนูหุงข้าวทำกับข้าวไปวัดป่าพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ตักหรือพิจารณาอาหาร อย่างนี้หนูจะได้บุญไหมคะได้พอเราถวายแล้วท่านเอาอไปให้หมาเราก็ได้บุญเหมือนกันเนะพราะบุญไม่ได้เกิดจากการที่เขาตักไรืกินหรือไม่อยู่ที่ว่าเราได้เสียสละข้าวของเงินทองไปหรือไม่ยิ่งเราอย่าไปดูคนรับเดี๋ยวไปดูคนรับแล้วเขาไม่กินของเราแล้วเราจะเสียใจแล้วเราจะคิดว่าเราไม่ได้บุญเราต้องดูว่าเราชนะกิเลส ข, ของเราคือความตหณีความหวงในข้าวของเงินทอง เราสามารถสระละก้าวของเงินทองเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นธรรมด า, าเรามักจะเอาเงินทองนี้มาทำประโยชน์ให้กับเราแต่พอจะให้ทำประโยชน์ให้กับผูอื่นนี้รู้สึกว่าแหมคิดหนักคิดหลายตลอดว่าจะจะทำดีไม่ดีแต่ถ้าทาให้กับตัวเองนี่ไม่ทบจะไม่ต้องคิดเลยแต่การทำให้ตัวเรามันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขที่ดี เป็นความสุขที่เป็นเหมือนความสุขที่ก่อจากการเสพยาเสพติดเนี่ยมันจะทำให้เราติดแล้วพอเราไม่มีเงินใช้เราจะทุกข์แต่บุญที่เราได้จากการเสียสละทำประโยชน์ให้กับคนอื่นมันจะทำให้เรามีความสุขอีกแบบหนึง่งความอิ่มใจและเวลาเราไม่มีเงินเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ไม่เดือดร้อน คำถามจากคุณสุรางคนามีคนเอาคำพูดเราไปพูดอีกอย่างทำให้มีคนเข้าใจผิดและโกรธเราเราควรทำอย่างไรค ะ, ะก็มีเวลามีโอกาสก็ชี้แจงไปเขาจะเชื่อเราเชื่อเขามาก็ฮับเรามังคับเขาไม่ได้เขาอยากจะเชื่อคนนั้นก็เรื่องของเขาถ้าเขาเชื่อเราเขาก็จะได้รู้ว่าเราไม่ได้พูดอย่างนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาในโลกนี้คนบางคนเขาก็เลือกเชื่อ เขาเลิกเชื่อในสิ่งที่เขาอยากจะเชื่ออมันก็ห้ามเขาไม่ได้แต่ขอให้เรารู้ว่าเราพูดอะไรก็แล้วกันฉั้นเว้นทางที่ดีก่อนจะพูดอะไรระมัดระวังอย่าไปพูดกับเรื่องของคนอื่นนะดีที่สุดชอบไปตําหนิชอบไปขอลหานินทานเขาทําไมเรื่องของชาวบ้านเขาเขาจะดีเขาจะชั่วก็เรื่องของเขามาตําหนิตัวเราดีกว่ามาวิาพากษ์วิจารณ์ตัวเราดีกว่า เราจะได้มาแก้ไขตัวเราเองไปวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นเดียวก็เกิดเรื่องขึ้นมาคนอื่นเขาฟังแล้วเขาไปพูดบิดถ้าหน่อยเดียวมันก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาได้คำถามจากคุณชยาพลผมไม่สามารถนั่งขัดสมาธิได้เนื่องจากร่างกายไม่เอื้ออำนวยผมสามารถนั่งเหยียดขาทำสมาธิได้ไหมครับและจะบาปไหมครับ ถ่าย่างคนเดียวนั่งในท่าไหนก็ได้แต่ถ้าไปนั่งที่วัดที่คนอื่นเ้านั่งแบบเรียบร้อยเราไปนั่งเหยียดขามันก็ไม่เหมาะสมคําถามจากคุณพิมพ์หากเราฝันในทุกๆคืนฝันถึงอดีตบ้างอนาคตบ้างจนมันครั้งทําให้นอนไม่พอควรทําอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรคะก็ต้องมาฝึกสติว่าเราคิดมากไม่มีการควบคุมความคิด ต้องใช้สติหยุดความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันให้คิดเฉพาะเรื่องที่จำเป็นอย่าต้องคิดถ้ามันไปคิดเรื่องเพ้อเจ้อเพ้อฝันก็ใช้พุทโธพุทโธหยุดมันไปแล้วต่อไปความคิดต่างๆก็จะน้อยลงพอความคิดน้อยลงเวลานอนหลับก็จะฝันน้อยลงไปเพราะความฝันมันก็คือความคิดนี่เกิดจากความคิดเรา ม, มีอีกค่ ะ, ะคำถามฝากถามนะคะถ้าหากต้องการศึกษาพระพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงพระนิพพานควรเริ่มศึกษาอย่างไรและปฏิบัติอย่างไรสรุปแบบย่อๆเพื่อได้นำมาศึกษาและปฏิบัติได้เองในอนาคตเพราะถา้าอ่านหรือศึกษาเองหรือปฏิบัติเองก็มีมากมายจนสับสนก็เนี่นแหละวันนี้ก็ลังบอกว่าให้รู้แค่แค่วิธีสามอย่างก็พอให้รู้จั ก, จากทาทาน รู้จักรักษาศีลแล้วก็รู้จักนั่งสมาธิรู้จักฟังธรรมให้เกิดปัญญาแค่นี้แล้วก็รู้ว่าการทำทั้งหมดนี้ทำเพื่อไปหยุดความอยากสามตัวอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยากได้ความสุขจากฌานรูปฌปานอยากได้ความสุขจากการรูปฌานถ้าเรามีความสุขความอยากเหล่านี้อยู่กาจัดมันด้วยศีลสมาทานศีลภาวนาไป คำถามจาคุณแบงค์ถ้ากระผมจะจัดงานเลี้ยงครอบครัวในวันรับปริญญาในงานมีการดื่มสุราแต่ผมไม่ได้ดื่มผมเป็นคนจ่ายเงินแบบนี้ผมจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกคนดื่มมันบาปเพียงแต่เราสนับสนุนส่งเขาใ ห, ให้เขาได้ทำบาปนะฮนะทำไมไม่เลี้ยงอย่างอื่นน้ำผลไม้น้ำอะไรที่มีคุณค่านะถ้าก็ไม่มางานเพราะไม่มีเหล้าก็ไม่ต้องมา